วันนี้จะขอบรรยายอธิบายเรื่องขันห้าให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักและรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อขันห้าให้ถูกต้องเพราะตอนนี้พวกเราปฏิบัติ ต่อขันหาไม่ถูกต้องทำให้ใจของพวกเราต้องมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจเพราะเราไม่ได้รู้จักขันห้าอย่างแท้จริงขันห้านี้ก็คือทำห้าประการหรือหาอาการด้วยกัน ที่ประกอบเป็นชีวิตของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายแบ่งเป็นสองส่วนส่วนร่างกายและส่วนจิตใจส่วนร่างกายก็เรียกว่ารู ป, ปขันส่วนจิตใจก็เรียกว่านามขันนามขันนี้ก็มีอยู่สี่ขันด้วยกัน คือเวทนาสัญญาสังคานวิญญาณร่างกายหรือลูปนะรูปรูปรูประขันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือร่างกายการปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้รู้แจ้งในขันห้าให้รู้เป็นรู้ต่างความเป็นจริงของขันห้า ไม่ใช่รู้ตามความรู้สึกนึกคิดของจิตใจเพราะความรู้ตามความรู้สึกนึกคิดของจิตใจนี้เป็นความรู้ที่ออกจากความหลงคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงจึงทําให้จิตต้อง เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจถ้าเราได้ศึกษาและเข้าใจความจริงของขันห้าเราก็จะไม่ทุกข์กับขันห้า เมื่อเราไม่ทุกข์เราก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นผู้ใดก็ตามถ้าได้ศึกษาขันห้าจนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการหลงยึดติดอยู่กับขันห้า นั่นเองขันห้าขันแรกเราเรียกว่ารูปประขันก็คือร่างกายร่างกายนี้เราต้องศึกษาให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างร่างกายนี้ท่านก็ให้พิจารณาให้เห็น ส่วนต่างๆของร่างกายคือให้เห็นทั้ง32อาการด้วยกันตอนนี้เราส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นครบ32อาการเราจะเห็นเพียง5อาการก็คือเราจะเห็นแต่ผมขนเล็บฟันและหนังส่วนอีก ยี่สิบเจ็ดอาการนี้เรามองไม่เห็นหรือไม่มองกันจึงทำให้เราไม่เห็นความจริงที่แท้จริงของร่างกายเรากลับเห็นว่าร่างกายสวยงามเพราะว่าเราไม่ได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเมื่อเราเห็นว่าร่างกายสวยงามก็เกิดความอยาก ได้ร่างกายนั้นมาเป็นสมบัติแต่พอเราได้มาแล้วเราก็มาเสียใจในภายหลังเพราะว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดไว้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่สวยงามเราก็จะได้ไม่ต้อง ไปอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นคู่ครองของเราเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ก็จะสบายใจกว่าอยู่กับอีกคนหนึ่งเพราะอยู่กับอีกคนหนึ่งก็ต้องมีปัญหาต้องมีการคอยดูแลกัน คอยรักษาแล้วก็ต้องมีอะไรต่างๆที่อยู่คนเดียวไม่มีก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่เราอยู่ด้วยแล้วก็จะทำให้เราอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว้าวเว่เศร้าซ้อยหงอยเหงา ถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายที่ไม่สวยงามดังนั้นเราจรึงต้องศึกษาอาการสามสิบสองของร่างกายจนให้มันฝังอยู่ในใจของเราเวลาเราเห็นร่างกายเราจะเห็นครบทั้งสามสิบสองอาการหรืออย่างน้อยก็อาการที่ ไม่สวยงามเพื่อที่จะได้ยับยั้งความอยากยับยั้งการอารมณ์ที่จะทำให้จิตใจของเรามีความหดหดดำคาญใจมีความเศร้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว้าเหวแล้วก็จะต้องบังคับให้เราต้องไปหาคู่ครองมา อยู่ด้วยแล้วก็มาทุกข์กับคู่ครองต่อไปถ้าเราเห็นอาการที่ไม่สวยงามของร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องไปมีความอยากในการอารมณ์เราก็จะไม่รู้สึกมีความหงุดหงิดดำคานใจ ยังไม่มีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวเวลาที่เราอยู่คนเดียวนี่คือ <c oughs> การศึกษารูปประค์นในมุมของความไม่สวยงามเราอย่าเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเราต้องมองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามด้วยเพื่อจะได้ ไม่หลงไปกับการอารมณ์นั่นเองนี่คือข้อที่หนึน่งนะ <c oughs> เราต้องศึกษาดูอาการสามสิบสองคือผมขนเดบฟันหนังจากหนังเราก็เข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเห็นม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็จะเห็นส่วนที่เป็นส่วนน้ํำจะน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเงือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํำมันเหลวน้าลายน้ํำมูกน้ําไขข้อน้ํามันข้นน้ํามูดนี่คือส่วนที่ ไม่มีใครปรารถนาอยากจะเห็นกันแต่ก็มีอยู่ภายในร่างกายที่สวยน่าดูทางภายนอกแต่ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นว่าไม่น่าดูเลยไม่น่าไม่น่ารักไม่สวยงามเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษา เกี่ยวกับรูปประขันคือร่างกายเพื่อที่จะได้คลายความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นร่างกายที่ไม่สวยงามว่าสวยงามนี่คือข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับการศึกษารูปประขันคือร่างกายข้อที่สองที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปประขันก็คือต้องดูว่า อาการทั้งสาสิบสองนี้ไม่มีตัวมีตนเป็นการประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็มาทางอาหารทางน้ำดื่มทางอากาศที่หายใจเข้าไปเมื่อมารวมกันก็จะทำให้อาการสามสิบสองนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาเวลาอยู่ ในท้องเวลาเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากธาตุคือน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของพ่อกับในร่างกายของแม่เมื่อน้ำหรือธาตุทั้งสี่มาประรวมกันก็จะก่อตัวขึ้นเป็นอาการสามสิบสองและพอได้รับธาตุสี่ คืออาหารผ่านทางสายเลือดของมารดาร่างกายที่ก่อตัวขึ้นมาก็จะเจริญกลับโตอาการสาสิบสองก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาจนพอร่างกายเจริญสมบูรณ์เต็มที่ไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็มารับ ธาตคืออาหารต่อดื่มนมดื่มน้ำดื่มหายใจเอาอาหารเข้าไปอาหารก็คือธาตุดินนี่เองได้รับธาตุอย่างต่อเนื่องอาการสามสิบสองก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามเจริญเติบโตกขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อจเจริญจนจนถึงขีดเต็มที่แล้วก็จะหยุดแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังก็จะเริ่มเสื่อมลงไปร่างกายก็จะเริ่มแก่ชราไปทีละเล็กทีละน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วต่อไปก็จะหยุด หายใจพอร่างกายหยุดหายใจแล้วธาตุที่รวมกันอยู่ในร่างกายทั้งสี่ก็จะแยกทางกันไปถ้าปล่อยร่างกายทิ้งไว้ในป่าช้าร่างกายมันก็จะเน่าเปื่อยแห้งกรอบไปธาตุาน้าก็จะไหลออกมาธาตุ ลมก็จะระเหอยออกมาที่ส่งกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นนี้ก็เป็นธาตุหนุ่มธาตุน้ำก็น้ำที่น้าเลือดน้ำเหลืองอะไรต่างๆที่ไหลออกมาธาตุไฟก็ละลายออกมาทำให้ร่างกายที่เคยอบอุ่นกลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบไปทิ้งไปเรื่อยๆต่อไป ร่างกายก็จะแห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปในสมัยนี้เราก็เร่งวิธีสลายธาตุทั้งสี่ด้วยการนำเข้าเตาเผา เ, าเข้าเมนเผาโดยไฟเผาเสร็จตอนเช้าก็มาเก็บเศษขี้เถ้าเศษกระดูกก็เป็นธาตุดิน ธาตุน้ำก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดธาตุลมก็ออกไปหมดธาตุน้าก็หมดเหลือแต่ธาตุดินนี่คือการพิจารณาให้ให้รู้ความจริงของรูปประขันคือร่างกายนี้ว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างกายนี้ Ham, ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาอยู่ในร่างกายนี้ผู้ที่อยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหรือผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี <bb bracket. S 1> well. ้ผู้ที่มาใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายนี้ก็เรียกว่าใจ ที่ใช้นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือในการสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆดังนั้นการพิจารณารูปประขันก็คือต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอาการสาสิบสองไม่สวยงามเป็นอาการที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟ ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในอาการสามสิบสองเป็นเพียงดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือเรื่องของการศึกษาความจริงของรู ป, ปรขัน เพื่อจะได้ทำลายความหลงที่ทำให้เห็นผิดเป็นชอบความหลงคืออะไรก็คือเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตายจะไม่แก่นี่คือความหลงที่ อยู่ในหัวใจของผู้ที่ไม่เคยศึกษาความจริงของร่างกายเราได้ศึกษาแล้วก็จะไม่หลงกับความความความหลงของร่างกายก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะไม่มีตัณหาความอยากได้ร่างกายจะไม่มีความอยากจะได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครอง มาให้ความสุขเพราะจะเห็นว่าไม่สวยงามไม่ได้เห็นว่าสวยงามจะเห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายจะต้องมีวันพัดพรากจากกันเวลาไม่พัดพรากจากกันเวลาอยู่ด้วยกันเวลาไม่สบายก็ต้องมาเป็นทุกข์มาห่วงใยกันถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็จะ ก็ไม่ต้องมีร่างกายของคนอื่นมามาแบกถ้าเห็นความจริงก็จะไม่ไม่อยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้อยากจะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าคนที่ยังอยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่ก็เพราะว่ายังมีความหลงคิดว่ามีเขาเล่าจะทำให้เรามีความสุข แต่คนที่เห็นความจริงแล้วจะไม่หลงจะรู้ว่ามีเขาแล้วจะมีความทุกข์นี่คือการศึกษาเพื่อให้เราได้ปล่อยวางร่างกายของคนอื่นและของเราร่างกายของคนอื่นเราก็รู้ว่าไม่สวยงามเราก็จะไม่อยากได้ร่างกายของเราเราก็รู้ว่าจะต้องแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงอาการ32 ทำมาจากดินน้ำลมไฟเราก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นของเรานี้เราก็จะปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายตามสภาพของมันไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเรื่องของของรูปประขันที่เราต้องศึกษาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด รูปปักษันคือร่างกายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาหรือของไข่ก็ตามเราจะรู้ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด ไปอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆอยากจะให้เขาไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับรูปประค<ม>ัเพื่อเราจะได้ไม่หลงยึดติดพอเราไม่ยึดติดแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองที่เราศึกษาก็คือเวทนาเวทนานี้ก็ มีอยู่สามชนิดด้วยกันคือมีสุขขเวตนามีทุกขเวตนาและไม่สุขไม่ทุกขเวตนาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสัมผัสรับรู้ของทางร่างกายร่างกายเวลาหิวอันนี้ก็เกิดทุกขเวตนาขึ้นมา เวลาได้รับประานอาหารอิ่มก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ไม่หิวไม่อิ่มก็เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาที่สัมผัสกับอากาศร้อนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ได้สัมผัสกับอากาศเย็นก็เกิดสุขเวทนาฮะเวลาร้อนแล้วอาบน้ำหรือเวลาเข้าห้องปรับอากาศ ก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้พบอากาศร้อนไม่ได้พบอากาศเย็นก็จะเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนานี่คือเวทนาที่ผ่านทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไป บางครั้งบางคราวบางเวลาเราก็ควบคุมได้เปลี่ยนได้เช่นอากาศร้อนถ้าเรามีเงินซื้อเครื่องปรับอากาศมาเราก็สามารถปรับอากาศให้มันเย็นปรับทุกขเวทนาให้เป็นสุ ข, ขเวทนาได้แต่ถ้าไฟดับเราก็จะปรับไม่ได้มีเงินก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไฟติดได้อันนี้ก็ต้องศึกษา ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะปรับได้อาจจะปรับไม่ได้ถ้าปรับได้ก็มีความสุขใจถ้าปรับไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจก็ต้องทําใจคืออย่าไปปรับเวทนาอัดอยู่กับเวทนาทั้งสามชนิด ุกขเวทนาก็อยู่กับมันไปสุขเวทนาก็อยู่กับมันไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู no ่กับมันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเช่นแต่เราส่วนใหญ่นี้เราจะยึดติดกับสุขเวทนากันเวลาได้สุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันหมดไปเช่นอากาศเย็นที่ผ่านมาเรามีความเย็นสบายกันเราก็อยากจะให้มันเย็นอย่างนี้ไปตลอด แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันเริ่มกลับมาร้อนแล้วถ้าเรายังอยากจะให้มันเย็นอยู่เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งเวทนาให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เราก็ปรับใจเราตอนนี้ไม่เย็นแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้วก็ อยู่กับความร้อนไปทําใจอย่าไปต่อต้านความร้อนเพราะเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปแก้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเวทนาปล่อยวางเวทนาได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือวิธีปฏิบัติต่อเวทนาเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องมีความทุกข์กับเวทนา ก็คือเราต้องเข้าใจว่าเวทนาเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสุขเขาเวทนาก็ดีทุก เ, เวทนาก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุก เ, เวทนาก็ดีเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาปรากฏขึ้นมาแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนหรือไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องทำใจปล่อยวางอย่าไปอยากอันนี้ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับทุกขเวทนาเกี่ยวกับเวทนาทั้งสามถ้าเราปฏิบัติกับเวทนาได้ถูกต้องก็คือปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาทั้งสามเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเรา เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเราเข้าใจเวทนาทั้งสามเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาทั้งสามเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้สั่งให้ความเจ็บหายไปทันทีทันใดไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเรามีปัญญา มีความรู้ที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทุกขเวทนาของร่างกายที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้โดยควบคุมความอยากไม่ให้ไปอยากควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขานี่คือ เรื่องของการพิจารณาเวทนาส่วนสัญญาคือความจําความจํานี้ก็คือเรามีความจําที่ไม่ถูกเราจําผิดเช่นเราจําว่าร่างกายนี้สวยงามจาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจําว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆอันนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนสัญญาใหม่ การเปลี่ยนฉายาใหม่ก็คือการศึกษาความจริงของร่างกายนี้เองถ้าเราศึกษาบ่อยๆพิจารณาความอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายบ่อยๆต่อไปเราก็จะเปลี่ยนความจำใหม่แทนที่จะจำว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็จะจำว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตาย อันนี้คือสัญญาความจำตอนนี้ความจำของเราจำผิดมีความเห็นผิดนั่นเองสัญญาก็คือความจำหรือความเห็นผิดเราก็ต้องแม่มาแก้ความเห็นผิดด้วยการศึกษาความจริงเมื่อเราศึกษาความจริงอยู่เรื่อยต่อไปความเห็นผิดนี้ก็จะหายไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องปรากฏขึ้นมาจามีความจำที่ถูกต้อง พอเรามีความจําที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ไปคิดไปในทางที่ผิดถ้าเราคิดว่าเป็นของเราเราก็จะเกิดความอยากเราก็จะคิดสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะคิดไปอยากอยากจะปกป้องรักษาร่างกายของเราถ้าเป็นของเราเราก็อยากจะรักษามันดูแลมันให้มันดีไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย แต่พอรักษาไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสัญญาความถูกต้องว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราสังขารก็จะไม่คิดไปในการที่จะไปคอยดูแลรักษามันถ้าดูแลก็ดูแลแบบพอที่จะดูแลได้ถ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ไม่ไปวุ่นวายไปกับมันนี่คือการเปลี่ยนสัญญากับสังขารใหม่ อัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งมันจะไปด้วยกันขนองตัวนี้ถ้ามีความคิดผิดถ้ามีความเห็นผิดมันก็จะคิดผิดถ้ามีความเห็นถูกมันก็จะคิดถูกถ้ามันเห็นว่าเป็นของเร า, ามันก็จะคิดไปในทางปกป้องรักษาดูแลถ้ามันคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของเร า, ามันก็จะคิดว่าไม่ต้องไปปกป้องดูแลรักษา เราไม่ต้องปกป้องดูแลรักษามันก็สบายไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เราจะไปปกป้องดูแลรักษาเราก็ปกป้องดูแลรักษาไม่ได้อยู่ดีที่คือร่างกายของเราจะไปรักษามันยังไงแม่มันแก่แม่มันเจ็บแม่มันตายมันก็ทาไม่ได้อยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราความคิดของเราก็จะมีความถูกต้องตามมาเราก็จะไม่ไป วุ่นวายไปกับมันมากจนเกินไปดูแลรักษามันได้ก็รักษามันไปดูแลรักษามันไม่ได้ก็ก็ยอมรับหยุดหยุดต่อต้านหยุดต่อสู้ไม่ยอมไม่สู้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้ความแก่ยอมแพ้ความเจ็บยอมแพ้ความตายพอยอมแล้วเราก็จะหยุดหยุดต่อสู้ไม่ไปรักษามันละไม่ไป ไม่ไปทำํำจัญญกรรมตกแต่งไม่ไปย้อมผมไม่ไปทําอะไรต่างๆเพื่อจะรักษาความความหนุ่มความสาวเอาไว้อันนี้ปอรู้ว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้อยู่ดีใจก็จะได้ไม่วุ่นวายใจก็จะได้สงบนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาสังขารสัญญาความจําตอนนี้จําผิด ต้องมาเปลี่ยนความจำให้มันจำถูกจำว่าไม่ใช่เป็นของเราจำว่าร่างกายไม่สวยงามจำว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายแล้วสังขารก็จะคิดไปในทางปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่อยากได้สิ่งที่ไม่สวยงามก็จะไม่คิดไปในทางตำหานั่นเองสังขารเรานี้ ส่วนใหญ่จะคิดไปในทางตันหาเพราะเรามีความความเห็นผิดมีความจำผิดคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ถ้าเรามีสัญญาใหม่สัญญาที่ถูกตั้งเราก็จะเห็นว่ามันไม่สุขอย่างเดียวมันมีทุกข์ด้วยแล้วมันก็ไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็เราไปสั่งมันไม่ได้เสมอไป ไปปกป้องรักษามันไม่ได้ตลอดเวลาอันนี้พอเห็นความจริงแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งที่อยากจะได้ก็ละงับไปแต่ไม่อยากได้อะไรเพอะไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือเรื่องของเวทนรูปเวทนาสัญญาสังขารสวินิยานก็คือเป็นผู้ที่ทาหน้าที่รับรู้ความความจริงที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เอง เป่นรูปที่มาสัมผัสกับตาก็เป็นรูปสัญญาก็รู้เฉยๆว่าสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นรูปได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเป็นเสียงถ้าสัญญาสังข์ถ้าสัญญาสังขารมีความเห็นที่ถูกต้องมันก็จะไม่ไปปรุงแต่งแต่ถ้ามันไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมันมีความหลงมันก็จะไปปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ท, ทันที พอได้ยินเสียงที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆพอได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแทนที่จะรู้เฉยๆมันไม่ยอมรู้เฉยๆแต่ถ้าสัญญาสังขาร น, นี่มีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมันก็จะปล่อยวางมันก็จะรู้เฉยๆได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น นี่คือหน้าที่ของวิญญาณแต่มักจะถูกสัญญาสังขารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสัญญาสังขารที่หลงพอเห็นรูป ก, ก็อยากได้หรืออยากไม่ได้เพราะไปคิดว่าดีหรือไม่ดีขึ้นมาไม่มองว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไยเท่านั้นเองมาจากดินน้ำลมใยเห็นกระดาษที่มีหมายเลขก็อยากได้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่มันก็เป็นเพียงกระดาษ เอาไปกินก็กินไม่ได้แต่แย่งกันฆ่ากันถ้าเป็นแทบตายก็เพราะไอ้กระดาษที่มีหมายเลขฟ้ลมอยู่ทั้งนี้เองเพราะมองไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงกระดาษเ ป, เป็นเพียงทาตคิดว่ามันเป็นความสุขได้ไมยมากๆแล้วจะมีความสุขมากนี่ก็คือความหลงถ้าไม่ได้ศึกษาความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ก็จะไปหลงคิดว่าเป็นของมีค่าเห็นก้อนหินก็มีก็ไปหลงว่าเป็นหนึ่งของมีค่าตั้งราคากันเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นมาก้อนหินแท้ๆดีๆนี่เพียงแต่ว่ามันหายากหน่อยก็เลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพชรนี่คืออะไรเพชรก็คือก้อนหินนี่เพียงแต่ว่ามันหายากก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมา ส่วนก้อนหินที่มันหาง่ายมันก็เลยไม่มีราคาเนี่ยก้อนหินบนเขานี่เต็มไปหมดมันก็หินเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่มีใครอยากได้ <c oughs> ก็เพราะว่ามันไม่มีใครอยากได้มันถึงไม่มีราคาพอไม่มีราคาก็เลยไม่มีใครอยากได้พอ ม, มันมีราคามันก็แย่งกันแย่งพออยากได้มันแย่งกันมันก็เลยกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาทนั้นเองแต่คนที่เห็นความจริงแล้วก็ ก็ไม่อยากได้เฉยๆได้มาแล้วเอามาทาอะไรก็เอามาทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นก้อนหินดีๆนี่นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าปัญญาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องก็คือ S 1> <S 1> เราจะปล่อยวางเราจะไม่อยากได้พอเราปล่อยวางแล้วไม่อยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีหรือไม่มีสิ่งต่างๆจะมีหรือไม่มีถ้าใจเราไม่ไปอยากกับเขาแล้วเราไม่มีความทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปอยากกับเขาแล้วเวลาเขามีเราก็เราก็ทุกข์ได้ถ้าเป็น ถ look, ้าเขาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบพอเราไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ทุกข์ถ้าหายไปถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ทุกข์อีกเหมือนกันเพราะเราอยากให้เขาอยู่สิ่งที่เราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้เขาหายไปพอเขาไม่หายเขายังอยู่เราก็ทุกข์สิ่งที่เราชอบอยากให้เขาอยู่พอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์อีก แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแนละ้วเขาจะอยู่หรือเขาจะไม่อยู่เราก็จะไม่ทุกข์มีการศึกษาเพื่อให้เรายุติความหลงเพื่อจะได้ไม่มีความชอบหรือไม่ชอบความชอบหรือไม่ชอบนี้เกิดจากความหลงพอเรารู้ว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเขาไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราเขาไม่ได้ทําให้จิตใจของเรา ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ความสุขที่เราได้รับก็เป็นความสุขปลอมความสุขที่เราคิดขึ้นมาเองเวลาที่เขาเราได้เขามาเราก็ดี อ, อกดีใจแต่เวลาที่เราเสียเขาไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราไม่อยากได้เขาแล้วเวลาเขามาเราก็เฉยเฉยเวลาเขาไปเราก็เฉยเฉย นคือเรื่องของการพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นขันห้าเราต้องพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือรูปเวทนารูปกับเวทนานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงส่วนสัญญาเราก็ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่จากการที่เห็นว่าเที่ยงให้เป็นว่าเห็นว่าไม่เที่ยงจากการที่เห็นว่าสุขให้เห็นว่าเป็นทุกข์จากการที่เห็นว่า เป็นของเราให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราพอเราเห็นตามความจริงแล้วสังขารความคิดตรงแต่งก็จะไม่คิดไปในทางความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สังขารก็จะเฉยๆจะอยู่กับสิ่งต่างๆได้เวลาร่างกายเจ็บก็อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ เวลาร่างกายแก่ก็อยู่กับความแก่ของร่างกายได้เวลาร่างกายตายก็อยู่กับความตายของร่างกายได้แต่การที่จะทําใจได้นี้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาถ้าพิจารณาโดยไม่มีอุเบกขาพิจารณาไปแล้วก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีหยุดความอยากไม่ได้อยู่ดีเพราะใจไม่มีกําลังที่จะทําตามความเห็นที่ ที่ได้ศึกษานั่นเองเพราะว่ายังมีสิ่งที่มันต่อต้านความจริงอยู่ภายในใจก็คือความอยากความหลงนั่นเองดังนั้นการที่พิจารณาโดยที่ไม่มีสมาธิก็จะไม่ได้ผลอะไรอยากจะได้ผลเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิก่อนทาจิตใจให้สงบ ให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาก่อนพอจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็จะเราจะได้เอาความเป็นกลางความเป็นอุเบกขานี้มาใช้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้แต่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิ ต่อให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็หยุดไม่ได้เช่นคนที่ติดยาเสพติดรู้อยู่ว่าเสพแล้วมันเป็นทุกข์แต่ก็หยุดเสพไม่ได้คนที่ติดสุรารู้ว่าดื่มไปแล้วมันเป็นโทษก็หยุดดื่มไม่ได้คนที่สูบบุหรี่ติดบุหรี่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพิจารณาว่ามันเป็นโทษมันก็หยุดไม่ได้อยู่ดีดังนั้นต้องมีสมาธิถึงจะสามารถที่จะ ปฏิบัติตามปัญญาได้ปฏิบัติตามความเห็นที่ถูกต้องได้อย่างนั้นเราข้ามขั้นสมาธิไปไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่คิดว่าจะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ถ้าเข้าได้ถ้ามันทำได้มันก็ต้องหยุดได้มันก็ต้องหยุดความอยากได้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงแต่ถ้า พิจารณาด้วยปัญญาแล้วแต่ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญญายังไม่บรรลุผลผลที่เราต้องการก็คือการหยุดความอยากหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้อย่างนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้เราก็ต้อง มาทำสมาธิก่อนทำสมาธิให้ใจสงบเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาให้ได้สักระว่ารู้พอออกจากสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้การที่เราจะทำจิตให้รวมเป็นสมาธิได้เราก็ต้องมีสติเป็นตัวดินใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเอง ถ้าเราไม่มีสติดึนใจใจมันก็จะถูกตันหาความอยากผักดันให้ออกไปหาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะไปทำตามความอยากใจก็จะไหลไปตามกระแสของความอยากจะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบความเป็นอุเบกขาได้ถ้าไม่มีสติ คอยยุติความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากเราจึงต้องใช้ความคิดปรุงแต่งต้านความคิดปรุงแต่งเช่นคิดนีคิดพุดโทโธพุโทโธไปความคิดพุดโทโธพุโทโธไปนี้ก็จะต้านความคิดที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไป หรือว่าถ้าเรามีกําลังมากพอที่ไม่ต้องใช้พุโทโธผูกมันไว้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้มันอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการทำกระทําของร่างกายก็ได้หรือถ้าร่างกายไม่ได้ทําอะไรก็จะดูอาการสาสบสองของร่างกายไปก็ได้จะดูความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปก็ได้ ให้มันอยู่ในปัจจุบันหรือให้มันรู้เฉยๆได้ก็ยิ่งดีรู้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ไม่ให้ลอยไปที่อื่นอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการดึงใจให้เข้าสู่ปากประตูของความสงบนั้นเองพอเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาพูดโธรสองสามทีฮะมันก็เข้าไปข้างในแล้ว เพราะว่ามันอยู่ปากประตูแล้วพอเราเปิดประตูเราก็ดันมันเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีสติดึงมันให้อยู่กับร่างกายให้มันอยู่ในปัจจุบันมันชอบไปอดีตไปอนาคตไปที่เรื่องนั้นที่เรื่องนี้เวลานั่งสมาธิเราก็จะไม่มีวันที่จะดึงมันเข้าไปสู่ความสงบได้เพราะมันอยู่ห่างกกลจากประตูมากจนเกินกาลังของเราที่จะดึงมันเข้าไปได้ เราต้องพยายามดึงมันเข้ามาไว้ที่ปากประตูก่อนก่อนเวลาที่เราจะนั่งสมาธิพอมันอยู่ปากประตูแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราพุโทโธสองสามทีมันก็เข้าไปได้เลยนี่คือเรื่องของการเจริญสติการจะมีสมาธิได้นี้จะต้องมีสตินำนำทางเป็นสติต้องมีสติดึงใจให้เข้าข้างในถ้าไม่มีสติดึงใจ ตันหาความอยากมันจะดันออกไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องควบคุมความคิดของเราเพราะความคิดของเราเป็นเครื่องมือของตันหาความอยากนั่นเองถ้าเราปล่อยให้มันคิดปั๊บนี่มันจะคิดไปตามความอยากทันทีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามมาพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความหงุดหงิดความลาคาญใจถ้าไม่ได้ทาตามความอยากก็ยิ่งทุกข์ทรมานขึ้นไปใหญ่ ในที่สุดก็ทนไม่ได้ก็ต้องไปทําตามความอยากพอทำตามความอยากแล้วมันก็ทําให้เกิดกําลังมากขึ้นเกิดความอยากมากขึ้นไปแล้วมันก็จะทําให้การทําใจให้สงบนี้ยากขึ้นไปดังนั้นเราต้องเจริญสติให้มากเพื่อควบคุมความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากเพื่อจะได้ลดกําลังของความอยากลงไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังการจะเข้าสมาธิก็จะเข้าได้อย่างง่ายดายพอเรามีสมาธิแล้วเราก็มาศึกษามาพิจารณาความจริงของขันธ์ห้าของสภาวะธรรมต่างๆของสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องมีความรักมีความชอบนี้เราก็จะล่องพิจารณาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบ เพราะมันเป็นเหมือนงูพิษดีๆนี่เองถ้าไปเรารักเราไปรักไปชอบงูพิษเดี๋ยวเราก็ต้องถูกงูพิษกัดตายได้ฉันใดถ้าเราไปรักสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะต้องถูกมันกัดตายมันก็เราก็จะต้องถูกมันสร้างความทุกข์ให้กับเราพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่อยากได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไร พอเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรมาให้ความทุกข์กับเราเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานอกจากขันห้าแล้วมันก็มีของภายนอกขันห้าเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี่อยู่ภายนอก ลาบยศตัลเสินนี่ก็อยู่ภายนอกของพวกนี้เราก็ต้องตัดให้ได้เหมือนกันเราก็ต้องไม่ไปยึดไปติดร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันอย่าว่าแต่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องไม่ไปยึดไปติดไปหยากได้เพราะเขาก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเหมือนกันเราต้องพยายามพิจารณาเพื่อจะได้แก้ความหลงแก้ความเห็นผิด จนเราไม่หลงไม่ลืมอีกต่อไปไม่เห็นผิดต่อไปจนเราไม่มีความอยากที่อยากจะได้อะไรอีกต่อไปการพิจารณาถึงจะหมดความจำเป็นถ้ายังมีความหลงยังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วถ้าพิจารณาแล้วยังตัดไม่ได้ก็ต้องกลับมาทำสมาธิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สลับกันไปทากันไปพิจารณาแล้วตัดไม่ขาดก็กลับมาทาสมาธิต่อทาสมาธิเสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ถ้าพิจารณาใหม่ยังไม่ขาดก็กลับไปทาสมาธิใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาจนกว่ามันจะขาดเหมือนกับเวลาตัดไม้ตัดด้วยมีดตัดไปแล้วมันไม่ขาดก็พักไปกินข้าวไปพักนอนหลับเอามีดไปรับ พอเต่งขึ้นมาก็กลับมาฟันไม้ใหม่ๆฟันมันยังไม่ขาดมีดมันทื่อก็กลับไปรับมีดใหม่ร่างกายมันเหนื่อยก็กลับไปพักผ่อนมันหิวก็ให้อาหารมันใหม่จิตก็เหมือนกับร่างกายทำงานอย่างนี้เวลาพิจารณาแล้วมันตัดไม่ขาดก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พักในสมาธิออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาใหมย่ยังตัดไม่ขาดก็กลับไปในสมาธิใหม่กลับไปกลับมาอย่างนี้ ไม่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องขาดจนได้เพราะนี้มันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราตัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้นั่นเองไม่มีทางอื่นทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนําพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสิ้นสุขของความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม ก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ออต้องทอนสอนให้เจริญปัญญาสอนให้เจริญสติสอนให้เจริญสมาธิสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำทานตอนนี่คือขั้นบันไดขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะนำพาไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งหลายไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียว และไม่มีผู้อื่นทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเพียงผู้เดียวเราต้องเป็นผู้ศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะนำเอาไปปฏิบัติพอเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลช้าบ้างเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับความพยายามความขยันหมั่นเพียรอยู่ที่ความขยนันอยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่ความสามารถที่จะนำํะคำคําสอนมาปฏิบัติกับตนได้มากได้น้อยอันนี้มีความแตกต่างกันจึงมีการบรรลุช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันไปอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในใจของแต่ละบุคคลคือมีแรงต้านมากน้อยต่างกันจิตใจบางคนก็มีแรงต้านมากคือมีกิเลสนานะก็มี แรงต่อต้านธรรมของพระพุทธเจ้ามากจิตใจที่มีกิเล็บางก็จะมีแรงต้านธรรมของพระพุทธเจ้าน้อยคนที่มีกิเล็บางก็จะสำเร็จง่ายกว่าคนที่มีกิเล็ดหนาเพรฉนั้ น, นการปฏิบัติของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันผลเกิดกากการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกันบางคนก็บรบบรลุได้เร็วบางคนก็บรรลุได้ช้าบางคนก็บรรลุได้ง่ายบางคนก็บรบบรลุได้ยาก เพราะมีอินทรีย์มีกิเลสมากน้อยต่างกันนั้นเองมีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีมากมีน้อยถ้ามีความเพียรมีศรัทธาความเชื่อปฏิบัติอย่างไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อนก็จะต้องสําเร็จด้วยกันทุกคนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองต่างกันตรงนั้นช้าหรือเร็วยากหรือง่ายดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับ คนอื่นเห็นเขาปฏิบัติง่ายปฏิบัติเร็วเราปฏิบัติยากปฏิบัติชา้าก็ขอให้คิดว่าเรา ม, มีกิเลส น, นะปัญญาทึบมีบุญน้อยสร้างบุญมาน้อยสร้างตากิเลสมาแต่พบก่อนๆสะสมตากิเลสปัญหาไม่เคยสะสมบุญบารมีไม่เคยสะ ส, ส, สมปัญญาเลยพอมาทำชาตินี้มันก็เลยยากแลนะนานแลนะชา้า เพราะกิเลส ก, ก็หนาปัญญากระถึกส่วนบางคนนี่เขากิเลสบางปัญญาแหลมคมเขาปฏิบัติปุ๊บปักไม่กี่ไม่ไม่กี่วันกี่เดือนเขาก็บรรลุได้แต่นี่เป็นเรื่องของของคุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่ไม่มีใครที่จะไปอ่าไปไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของผลที่เกิดจากเหตุที่ทำมาในอดีตนั่นเอง ในอดีตพวกเราแต่ละคนได้สร้างบุญบารมีสร้างบาปสร้างกรรมมาไม่ไม่ไม่เท่ากันบางคนสร้างบุญบารมีมาก knowing, สร้า ง, Abraham, งบาปสร้ า, างกรรมน้อยเมันก็ปฏิบัติได้ง่ายและได้เร็วบางคนสร้างบุญสร้างกรรมน้อยสร้างบาปสร้างอสร้างบุญบารมีน้อยสร้างบาปสร้างกรรมมากมันก็ช้าเหมือนกัยากแต่ไม่ว่าจะช้าหรือจะยากก็บรรลุได้เหมือนกัน แล้วพอบรรลุได้มันก็มีผลเท่ากันเหมือนกับ น, นักศึกษาที่จบปริญญาจะจบปีนี้แล้วจะจบอีกห้าปีข้างหน้ามันก็ได้ปริญญาเท่ากันเหมือนกันการบรรลุ ก, ก็เช่นเดียวกันเมื่อบรรลุแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันเท่ากันไม่มีความตต่างจากกันพระอรหันต์ทุกรูปนี้มีความบริสุทธิ์ทางจิตใจเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นยุค พระพุทธการและยุคในปัจจุบันนี้ก็จะมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันมีนิบบานังปรมังสุขขังเหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถที่จะมานำธรรมะของตนที่ได้ศึกษาได้เห็นมานี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี้ก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะชี้แจงแถลงไข นำเอารายละเอียดต่างๆออกมาชี้แจงให้แก่ผู้อื่นให้ได้เห็นบางท่านก็มีความสามารถมากก็ทำให้มีผู้ที่สนใจศึกษาได้รับประโยชน์มากบางท่านก็มีความสามารถน้อยก็ไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้บรรลุแล้วเพราะท่านไม่ได้สอน ด้วยความอยากอยู่ดีท่านสอนไปตามกําลังตามความรู้ตามความสามารถของท่านเช่นสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นกับหลวงปูส่สาวนี่ท่านก็เป็นอพระเกจิแต่องค์หนึ่งท่านก็มีความรู้ความสามารถที่สั่งสอนจึงทำให้หลวงปู่มั่นมีลูกศิษย์ลูกหามากหลวงปูส่สาวนี่ท่านไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาน้อย แต่ความบริสุทธิ์ของใจของท่านมีเท่ากันดัง น, นั้นเราไม่วัดกันที่ตรงความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นหรือในการมีบา ร, รมีในเรื่องของการได้รบับลาบสกาละต่างๆอันนี้เป็นเป็นส่วนประกอบส่วนย่อยส่วนประกอบส่วนสําคัญที่ที่เท่ากันหมดก็คือความบริสุทธิ์ของใจ พระอรหันุกรูปนี้มีความบริสุทธิ์เท่ากันหมดแต่มีความรู้ความสามารถพิเศษต่างกันไปบางท่านก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหาะเฮิรนเดินอากาศได้บางท่านก็มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นอัครสาวกมือขวาท่านยกเพราะว่าพระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่แสดงธรรมได้ ได้ฉลาดได้มีความสามารถมากในการแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้ายกให้เป็นมือขวาเลยเพราะท่านเห็นความสําคัญของการเผยแผ่ธรรมะมากกว่าความมีความสามารถทางอิทธิฤทธิปาฏิหารเช่นพระโมคคลานี้พระโมคคลานี้ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารมากกว่าสาวกทุกองรองจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว พระพุทธเจ้าจึงตั้งให้เป็นอัคระสาวะอัคระสาวกมือขวามือซ้ายนี่คือความสามารถพิเศษที่ติดมากับใจของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่มีเท่ากันหมดก็คือความบริสุทธิ์ความปราศการปราศจากความโลภความโกรธความหลงของใจความปราศจากความความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ อันนี้มีเท่ากันหมดเหมือนกันหมดทุกๆุกองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่มีใครบริสุทธิ์มากกว่ากันบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเหมือนกับเอาเสื้อผ้าใส่ไปในพงถังซักถังซักผ้าแล้วก็ซักมันพอมันซักเสร็จมันก็สะอาดเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยถ้าอยู่ในสังถังอันเดียวกันซักพร้อมกันมันก็สะอาดเท่ากัน ทัในใดเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนี้ก็เท่ากันแต่เรื่องของบา ร, รมีนี้ไม่เท่ากันบา ร, รมีที่ได้ในการเผยแผ่สั่งสอนก็ดีในการมีอิทธิฤทธิปฏิหารก็ดีในการมีลาบสักการะก็ดีอย่างนั้นสมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องยกให้หลวงตาในเรื่องลาบสักการะมีศรัทธาญาติโยมร่วมถวายเงินถวายทองคําเป็นจนํานวนมากไม่มีครูบาอาจารย์รูปไหนที่ได้ นาบสักกาละเท่ากับหลองตาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของบารมีที่ท่านได้สร้างสมไว้ในอดีตเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านได้ทําใจของท่านให้สะอาดบริสุดทดังนั้นเราต้องแยกประเด็นให้ถูกอย่าไปอย่าไปกังวลกับเรื่องความยากความง่ายความช้าความเร็วความมีลูกศิษย์ลูกค้ามากหรือ ม, มีน้อย มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่มีมีลาภสกการะหรือไม่มีอันนี้อย่าไปกังวลขอให้เรากังวลอยู่ว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่ามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ให้เราทุ่มไปที่ตรงนี้ทำทานให้มากรักษาศีลให้มาก จเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้มากจเจริญปัญญาให้มากแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเองช้าเรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญของกรรมที่เราทำมาในอดีตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายิางขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ท่านที่มีปัญหาคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้สิ่งที่ฟังไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่ามีความสงสัยส่วนไหนก็เชิญถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางอินเทอร์เน็ตถามมาหรือข้อเดียวก็ไปใช้ขึ้นถามมาใหม่ครับ จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณนาดานะครับถ้ามีคนพูดว่าเรามีนิสัยเฉยในการทำงานและไม่มีความสามารถคิดได้ว่าควรทำงานนี้อย่างไรต้องรอคำสั่งให้ทำเพียงอย่างเดียวเช่นต้องทำหนึ่งและไปสองสามสี่เป็นต้นมีแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่จะเปลี่ยนนิสัยนี้ได้อย่างไร ถ้าเราเฉยเราก็ต้องกระตุ้นมันให้ไม่ให้มันเฉยถ้ามันไม่ชอบคิดก็ต้องสอนให้มันหัดคิดบังคับมันไปหรือไปอยู่กับคนที่เขาเขาจะสอนให้เราคิดถ้าเราไม่สามารถที่จะสอนเราได้เราก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่รู้จักสอนให้คนคิด ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราเห็งก็คิดไม่ไดก้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนความจริงเราก็เป็นอาจารย์ของเราได้ความจริงเราคิดเองแต่ว่าเรามันชอบคิดไปในทางของคนโง่ไม่ใช่คิดไปในทางของคนฉลาดชอบคิดไปตามความหลง โลบโมโสันถ้าเราอยากจะคิดเป็นเราก็ต้องใช้วิธีศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็เป็นการสอนให้เราคิดนั่นเองเพราะเวลาเราฟังเราก็ต้องคิดตามเราถึงจะเข้าใจเวลาเราอ่านหนังสือเราก็ต้องใช้ความคิด แป่ความหมายของตัวหนังสือที่เราอ่านมันก็จะทําให้เราคิดถ้าเราอ่านบ่อยๆเราก็จะคิดคิดไปเรื่อยๆอยากต้องเป็นหนังสือที่มีคุณมีประโยชน์โดยเฉพาะหนังสือธรรมะถ้าเราอ่านหนังสืออย่างอื่นมันก็อาจจะพาให้เราคิดไปในทางความหลงได้ความหนังสือทางโลกนี้มันจะพาให้เราคิดไปในทางความหลง ทมให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดไปในทางทำอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมมันจะทำให้เราคิดไปในทางความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรามีความอยากน้อยลงไปความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปดังนั้นไม่ใช่ว่าการมีความคิดนี้จะดีเสมอไปคิดเป็นจะดีเสมอไป คนที่คิดเป็นนายกคิดเป็นมหาเศรษฐีก็สามารถที่จะาพาให้ไปสู่นรกได้เหมือนกันเพราะคิดไปตามความอยากแล้วก็คิดไม่ได้คิดถึงความเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวนรกเพราะคิดว่าสามารถทำได้อยากจะได้อะไรก็สามารถหามาได้ แต่วิธีการที่หามานี่มันไม่เป็นวิธีการที่สุจริตเท่านั้นเองมันเป็นวิธีที่โกงอที่เป็นบาปเป็นกรรมที่เรียกเป็นอธินนาเป็นการแย่งทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นปานาธิบาตเป็นการไปฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาพระพุทธเจ้าก็มีความคิดที่จะคิดไปในทาง ทางโลกก็ได้ไปในทางธรรมก็ได้นที่พระพุทธเจ้าประสูติเจ็ดวันก็มพีพระราชบิดาก็ให้โหรมาพยากรณ์ทำนายชะตาของพระพุทธเจ้าว่าโตขึ้นจะได้เป็นอะไรโหรส่วนใหญ่ก็จะทำนายว่ามีอยู่สองทางด้วยกันถ้าไปทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจั ก, กรพรรดิ ถ้าไปทางธรรมก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีโหรอยู่เพียงคนเดียวที่ทำนายว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นไปตามที่โหรคนนี้ได้ทำนายไว้แต่ที่เ็าทำนายว่าเป็นสองทางเพราะอะไรเพราะว่ามีความคิดที่จะสามารถคิดไปในทางโลกก็ได้คิดไปในทางธรรมก็ได้ ถ้าอยากจะเป็นมหาจาักรพรรดิก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะทํศึกสมสกทศึกสงครามต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเอาชัยชนะมาได้แต่ถ้าคิดไปในทางต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ภายในใจคือกิเลสตัณหาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่ว่าจะใช้ความคิดนี้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรู ข้างนอกหรือข้างในถ้าเอาความรู้ความสามารถความฉลาดไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูข้างนอกก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นนายกได้เป็นกรรษัตริย์ได้เป็นมหาจากักรพรรดิได้เป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าเอาความรู้มาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายในเอาความคิดที่เอาเป็นเอาความคิดมาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงก็จะได้ชัยชนะก็จะปราบกิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจได้ก็จะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเนี่ความคิดของพวกเราเนี่ยสามารถไปได้สองทางถ้าเราคิดเป็นใช้ความคิดเป็นเราสามารถเอาความคิดนี้ไปหาเงินหาทองคนที่คิดเป็นนี้เขามอง ตรงนู้นตรงนี้เขาจับแพะชนแกะได้ทำอะไรปุ๊บปั๊บก็รวยก็มาได้น้อยล้านพันล้านขึ้นมาได้เพราะเขาคิดเป็นคนที่คิดไม่เป็นก็ต้องไปเก็บขยะไปกว่าไปเป็นพานโลเพราะคิดไม่เป็นเพราะไม่มีการศึกษานั่นเองการศึกษานี้ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาเราถึงต้องส่งลูกไปโรงเรียนกัน เพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะสอนให้ลูกของเราให้คิดคิดให้เป็นเราก็ส่งไปโรงเรียนแต่โรงเรียนนี้มันสอนให้เราคิดไปในทางโลกกันให้เราไปต่อสู้กับค่าศึกศัตรูที่อยู่ข้างนอกอุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้นการที่เราจะได้ร่ำรวยการที่เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเราไปศึกษาทางนั้นกัน เราก็เลยเป็นใหญ่เป็นโตกันได้ร่ำได้รวยมีทรัพย์มีสมบัติอะไรกันไปแต่จิตใจของเราก็ยังร้อนเป็นไฟอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เอาเราไม่ได้ไปศึกษาวิธีที่จะใช้ความคิดมาทําลายข้าศึกศัตรูของเราที่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่ใจของเราคือกิเลสตัญหาถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราคิดไปในทางธรรมะเราก็ต้องบวช อย่างวันที่สิบเอ็ดนี้วันอังคารนี้กทางวัดก็จะมีการบวชสามเณรภาคฤ ด, ดูร้อนจับเด็กที่จบโรงเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งของโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชนี้ทรงสร้างโรงเรียนกินนอนไว้ที่หน้าวัดยานอยู่โรงเรียนหนึ่งเรียกว่าโรงเรียนผู้รู้ยอดสอสอระดับมหนึ่งถึงมสามเป็นโรงเรียนกินนอนเป็นโรงเรียนที่ ไม่เก็บสตางค์นักศึกษานักเรียนที่มาเรียนให้ฟรีทุกอย่างที่อยู่ที่ที่อยู่อาหารการกินค่าเล่าเรียนหนังสือเครื่องแบบทุกสิ่งทุกอย่างทางเรียนไม่คิดสตางค์เป้าหมายของสมเด็จพระสังฆราชก็คืออยากจะให้เด็กได้เข้ามาคิดในทางธรรมมาศึกษาวิธีคิดไปในทางธรรมไม่ใช่คิดแต่ไปในทางโลกเพียงอย่างเดียว โรงเรียนพุทธโรงเรียนนี้จึงมีวันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จะหยุดตรงกับวันวันโกนกับวันพระวันโกนกับวันพระก็จะให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรมในวัดมาช่วยพระทำความสะอาดวัดแล้วก็จะมีพระไปสั่งสอนอบรมทุกวันที่โรงเรียนสอนวิชาธรรมะแล้วพอปิดปิดเทอมใหญ่เช่นเดือนนี้ปิดเทอมใหญ่ สอบเสร็จแล้ววันที่สิบนี้ก็จะให้เด็กมอหนึ่งบวชกันทั้งห้องเลยมีอยู่ประมาณสี่สิบคนด้วยกันแต่ญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดที่มีลูกมีหลานก็มาสมทบได้มาร่วมบวชได้ยนันตั้งแต่วันที่สิบสองไปนี้ที่วัดจะมีสั ม, มนเนณีเต้นบมชปีที่แล้วก็ห้าหกสิบขึ้นไป น, นก็จะมาได้มาศึกษาวิธีคิดไปในทางที่จะ ทำให้ตนเองนั้นหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดตัณหาสารให้คิดไปในทางที่จะดาเนินตอนให้ให้เป็นที่น่ารักน่าเคารพเรื่องสายของผู้อันนี้สาคัญกว่าความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมนี้มีความสาคัญกว่าความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ตอให้จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นด็อกเตอร์ก็ยังติดคุกได้ยังมีความทุกข์ได้ยังฆ่าตัวตายได้แต่ถ้ามาเรียนทางธรรมจบปริญญาธรรมแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าได้บรรลุ ข, ขั้น ปัญญาเองของพระพุทธศาสนาแล้วก็จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดนี่คือความรู้ที่เอาตัวรอดได้คือความรู้ทางธรรมนี้ความรู้ทางธรรมก็คือปัญญาอย่างที่ได้แสดงในวันนี้ต้องรู้เรื่องของขันห้ารู้รู้ธรรมชาติของขันห้าว่าเป็นอะไรอย่างไรรู้จากวิธีปฏิบัติรู้จากวิธีใช้ขันห้าให้ถูกทาง ใช้สัญญาใช้สังขารไปในทางที่ถูกตอนนี้พวกเราใช้สัญญาสังขารไปในทางที่ผิดกันเอาสัญญาไปจำเรื่องที่ไม่จริงมาเป็นของจริงของที่ไม่ใช่ตัวเราก็บว่ามาตู่ว่าเป็นของเราของที่ไม่เที่ยงก็มาตู่ว่าเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์ก็มาตู่ว่าเป็นเป็นความสุขพวกเราก็เลยเจอแต่ความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลา พราะเราไม่มีคนสอนให้เราคิดไปในทางที่ถูกนั่นเองจําในสิ่งที่ควรจะจําไปจําในสิ่งที่ไม่ควรจํากันแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็มาได้ยินได้ฟังเราก็จะเริ่มคิดไปในทางทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดกันคือให้คิดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราก็จะได้ปล่อยวางได้เราก็จะได้หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้เราก็จะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์อันนี้แหละคือสิ่งที่วิเศษกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่พวกเราหากันมาแทบเป็นแทบตายเพราะของเราต่างที่เราหามาได้นี้มันดับความทุกข์ปล่อยในใจของเราไม่ได้นอกจากดับไม่ได้แล้วมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ ให้แก่ใจของเราเป็นจนวนไม่ใช่เป็นตัวเหตุแต่เป็นตัวจนวนพอมีอะไรแล้วก็จะต้องทุก์กับสิ่งนั้นทันทีมีสามีก็ต้องทุก์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุก์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุก์กับลูกมีพ่อมีแม่ก็ต้องทุก์กับพ่อกับแม่แต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ทุก์กับเขา นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เราคิดไปในทางที่ถูกอย่าถ้าเราคิดไม่เป็นมันฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตของเราก็จะหมุนไปคิดไปในทางธรรมแล้วก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมาเน่ยพระอาหารหันก็ฉลาดขึ้นมาก็เพราะได้การศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เอ ก่อนที่จะเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นคนธรรมดาคนที่คิดไปในทางโลกแต่พอได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่อยากจะได้ภรรยายอยากได้สามีก็อยากจะบวชแทนที่อยากจะเลิศอยากจะรวยก็อยากจะสละสมบัติให้คนอื่นไปอันนี้แหละเป็นความคิดที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาเป็นความคิดที่จะปลดเบื้องให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่ความคิดทางโลกนี้มันจะไม่ปลดปเบื้องแต่มันจะผูกให้เรามัดติดอยู่กับกองทุกข์ของทางโลกเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติกองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆได้กองขนาดนี้ยังไม่พออยากจะได้กองใหญ่กว่านี้ทั้งๆ ท, ที่กินไปอีกสิบชาตกิก็กินไม่หมดแต่ก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้เพราะหลงคิดว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมันไม่เที่ยงสังวันหนึ่งต้องจากมันไปเวลาที่ต้องสูญเสียของที่เรารักนี่มันรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างมันสุขหรือมันทุกข์แต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียมันจะมันจะทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์นั้นเราต้องมองให้เห็นถึงว่าถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขก็เป็นสุขปลอมสุขแบบยาขเคลือบน้าตา หวานนิดเดียววะพออมไปใหม่ๆก็หวานพอน้ําตาลละลายหมดก้นก็เหลือแต่ความขมความสุขที่พวกเราได้แล้วก็เหมือนความสุขเคลือบความทุกเนี่ยเวลาใหม่ๆก็สุขเวลาแต่งงานกันใหม่ใมโอ้ยก็สุขกันสุขไปได้ไม่กี่เดือนมอกข้าวยังไม่ทันดำก็จะอยากแนละ้วนั่นแหละพอความทุกปรากฏขึ้นมาก็ไม่เอาละแต่เวลาก่อนจะแต่งไม่คิดซะก่อนคิดไม่เป็นคิดไป คิดไปตามความหลงไม่ได้คิดไปทางปัญญากันก็เลยต้องทุกข์กันเช้านี้ก็มีลูกศิษย์มาเล่าว่ามีพี่ชายทะเลาะกับภรรยาก็ตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหนไม่รู้หาไม่เจอกูจะแยกกูจะแยกทางกันไม่กลัวอะไรของนี้มันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นของธรรมดามีเกิดก็มีดับมีแต่งก็มีอย่าบใช่ไหม เป็นเรื่องธรรมดาไ ป, ไปห้ามมันไม่ได้แล้วก็จะอยากกันก็เรื่องของเขาเราไปทุกข์แทนเขาทำไมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหร่ใช่ไหมเรื่องของคนอื่นยังไปทุกข์กับเขาเลยเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยนะเทะนั้นเราถ้าอยากจะคิดเป็นก็ฟังเทศฟังธรรมเรื่อยๆศึกษาธรรมะเรื่อยๆของครูบาอาจารย์ต่างๆ ของหลวงตาเนี่ยท่านเป็นมัตปราร์ในสมัยปัจจุบันอ่านหนังสือธรรมะของท่านฟังเทศของท่านไปเถอะแล้วจะคิดไปในทางที่ที่ฉลาดได้จะเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้การฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษานี่แหละที่จะทำให้เราคิดเป็นที่จะทำให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่สนใจฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาเราก็จะต้องกลายเป็นคนโง่ไปเรื่อยๆต่อไปจนวันตาย คนเราเปลี่ยนตัวเราเองได้จากโง่ทำให้ฉลาดได้จากฉลาดก็ทำให้โง่ได้ถ้าขี้เกียจถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาหรือไปศึกษาในทางที่ผิดก็จะกลายเป็นคนโง่ได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมอาจารย์ครับผักมี มีคนมาถามบางเรื่องเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องการให้เขารู้ความจริงเนี่ย<ม>เราเลือกที่จะตอบไม่หมดแทนที่จะเป็นการโกหกจริงเนี่ยถือว่าเข้าใคร่มู้าไหมครับไม่ก็แล้วเราพูดความจริงไปมเนี่ยเราพูดไม่หมดแต่นั่นเองแล้วเขาก็ไม่ได้บั ง, บงคับให้เราพูดให้หมดเนี่ยมู้ษาก็หมายความว่าเราพูดความไม่จริง เช่นเราเป็นผู้ชายเราก็ถามว่าเราก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามูสาไม่พูดความจริงแต่พูดไม่หมดเนี่ยต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับฟังด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่รู้แหละมันเสียหายไม่เสียหายมันมันไม่พูดปวดใช่ยามันก็ไม่ไม่ถือว่าผิด เคยเคยได้ยินนิทานหรือเรื่องในพระไตรปิฎกว่ามีมีคนมาถามพระพระท่านนั่งอยู่ท่านยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีคนดีใครมาวิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วคนที่ตามไล่คนนั้นมาเจอพระองค์นี้ก็ถามว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนั้นวิ่งมาทางนี้หรือเปล่าพระท่านก็เดินขยับไปสองก้าวแล้วบอกไม่เห็น อย่างนี้จะเกิดความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ไม่รู้จะว่าเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้ตรงที่ท่านยืนอยู่เก่ามันเห็นแต่ต้องท่านก้าวมาหลัองอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสีถนนชัยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้โกหกตรงที่ท่านยืนใหม่ท่านไม่เห็นละแต่ตรงที่ยืนเก่านั้นเห็น ก็เลยกกุซลโลบายบ้างก็อย่างเรื่องที่แม่พาลูกไปจับปลาไหลในบึงแม่เห็นปลาไหลแม่ก็จับจับลูกเห็นแม่จับปลาไหลก็พอดีไปเห็นงูก็คิดว่าเป็นปลาไหลงูพิษก็จะไปจับพอดีไปจับที่คอมันเข้าก็ยังไม่กัดพอแม่หันมาเห็นเข้าตอนต้นก็ตกใจจะพอดีได้สติก็เลยบอก เออดีนะลูกปลาไหลตัวนี้จับให้มันแน่นนะเดี๋ยวแม่จะมาช่วยอั น, นี้แม่ก็โกหกแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นปลาไหลมันเป็นงูพิษแต่แม่ก็ต้องโกหกเพื่อที่จะไม่ให้ลูกตกใจปล่อยมันถ้าปล่อยมันก็อาจจะถูกกัดได้นี่ก็คือกุศโลบายถ้าโกหกแบบนี้ท่านถือว่าเป็นกุศโลบายเพราะผู้โกหกไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ปกปิดความชั่อของตน อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นมุสาแต่เราต้องระวังเราจะมักจะเอากุศโลบายเพื่อปกปิดความชั่วของเรากันนี่ไปเที่ยวไปไปเที่ยวกับเพื่อนมาแล้วกลับมาบอกภรรยาว่าไปทำงานางนี้ไม่อยากให้ภรรยาไม่สบายใจบางทีก็อ้างว่าที่ต้องพูดโกหกว่าไม่อยากจะให้คนอื่นไม่สบายใจ แต่ความจริงตัวเองต่างหากไม่อยากจะให้เขาจับผิดตัวเองให้รู้ว่าตัวเองไปทำผิดก็ไปอ้างต่างๆนานาถ้าไม่แน่ใจก็ขอให้ถือก็ถือหลักว่าอย่าพูดก็แล้วกันยิ้มๆไปเฉยๆไปทำเป็นหูทวนลมไป <laughs> พุทธโทพุดโทไปไในใจ <laughs> ตอนกระตั้งเขาเบื่อเขาก็ไม่ถามเอง ทินี่ยทำไมบางทีเราก็มีบางทีมันก็ไม่มีสติสมาธิมันไมน่แข็งแรงคือความคิดของเรามันยังพลิกไปพลิกมาอยู่บางทีเราก็คิดไปในทางที่ผิดมันก็เป็นไิ่ฉลาดทิฏฐิขึ้นนะเพราะสัญญาความจําเก่าของเรามันยังมีมากไปในทางที่ผิดอยู่แต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นปัญญาล้วนๆเป็นสมาธิทิฏฐิล้วนๆ ก็ต้องเข้าอยู่ขั้นระดับที่เรียกว่ามาหาสติมาหาปัญญาตอนนั้นจิตมันจะหมุนไปในทางธรรมอย่างเดียวตลอดเวลาแต่ถ้าจิตยังไม่ได้อยู่ในทางธรรมนี่บางทีขนาดขั้นโสดาบันนี่มันยังคิดไปในทางผิดได้ยังมีความยังมีการอารมณ์ได้ยังคิดว่าร่างกายคนนั้นสว ย, คน น, นสวยคนนี้สวยเองแต่ว่าท่านยังมีศีลคือจะรักคนอื่นแต่ถ้าไม่ได้เป็นภรรยาของตนก็จะไม่ไป อไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ถ้าอยู่ขั้นพระอนากามีนี้จะไม่เห็นใครสวยเลยเพราะจะเห็นตับไตไส้พุงของเขาตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดการมาหลมขึ้นมาจะต้องฝึกสติสมาธิให้ให้ให้ใหมากขึ้นอแล้วก็คิดเกิดคิดทางปัญญาไปให้มากอยู่ด้วยเลยพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองเนี่ย มันก็จะพาให้จิตคิดไปในทางสัมมาทิฏฐิการถูกความเห็นที่ถูกต้องแล้วต่อไปใครจะมายื่นให้เราร้อยล้านแต่ให้เราคอร์รัปชันทําผิดอะไรเราก็จะไม่เอาเพราะเรารู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสมาธิเวลาใครมายื่นให้เรานี่ใจเรายังมีตันหาความอยากอยู่เอาะ่ะขอขอขนเดียวขอโกงขนเดียว กิเลสบตัวเราจะรู้ได้ไงว่ามันหลบไหนเนาะบาีสมมติอย่างเราชอบรถยนต์เงี้ยเราบกว่าอนไม่อยากได้เนาะแต่ว่ามันก็อาจจะลงนหลบมายอยู่หรือว่ามันขาดจริงจรก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ไปเรื่อยๆบางทีมันก็หลบไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นรถรุ่นใหม่ออกมาคันใหม่หน่ารักกว่าอ่าชอบอดไม่ไหวก็อาจจะแสดงว่ามันยัง ไม่เห็นไม่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิคนที่มีสมาธินี้จะไม่ค่อยหิวกับของภายนอกเพราะมันมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆภายนอกถ้าไม่มีสมาธินี่มันจะเป็นความความไม่อยากชั่วคราวเสียมากกว่าแล้วบางทีเบื่อก็ได้ได้มามากๆได้มาบ่อยๆมันก็เบื่อได้ แต่พอถ้านานๆเข้าไม่ได้เลยพอได้านานๆได้สักหนึงมันก็เกิดความอยากขึ้นมาได้ใหม่แต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะมีความสุขที่ดีกว่าทดแทนอยู่ภายในใจดังั้นสิ่งต่างๆที่จะได้หรือไม่ได้จะไม่มีกำลังที่จะมาดึงความอยากของเราให้ไปอยากได้แต่ถ้าเราไม่ทำสมาธิทำให้สมาธิเราเสื่อมลงไปพอสมาธิเสื่อมเดี๋ยวเห็นหนู่นก็ดีเห็นหนี่ก็ดีขึ้นมาได้ เนี่ยมันก็ต้องรักษาต้องสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ให้มันเสื่อมก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็เสื่อมได้จนกว่ามันจะถึงขั้นไม่เสื่อมขั้นไม่เสื่อมมันก็มีตามขั้นกับมันขั้นสวสดาบันมันก็มีไม่เสื่อมในบางเรื่องบางอย่างพระสวสดาบันก็ไม่เสื่อมเรื่อง สมบัติเข้าของเงินทองถ่านรู้ว่าเป็นของชั่วคราวได้มาหมดไปท่านก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้ก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจเสียก็ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจแต่ท่านยังติดเรื่องการมารมอยู่พระสวัสดาบาลพระส ก, กิฎาการมีนี้ยังติดเรื่องการมารมอยู่ส่วนพระอนาคามีก็ไม่ติดเรื่องการมารมแล้วหมดแต่ไปติดเรื่องอัตราตัวตน ยังมีอัตราตัวตนในใจยังถือตัวอยู่ยังต้องใหญ่กว่าเขาต้องเก่งกว่าเขาต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆตามลาดับขั้นของการปฏิบัติจ <c oughs> นกว่ามันไม่มีอัตราตัวตนหลงเหลืออยู่เลย <c oughs> เป็นเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นตัวรู้เฉย ตัวตนนี้มันเป็นตัวอวิชชาอาวิชชาสร้างขึ้นมาความหลงสร้างขึ้นมาพอปัญญาลู้ทันว่าเป็นเพียงเงาเป็นสมมุติที่ใจสร้างขึ้นมาเองก็หยุดก็หยุดไปยึดติดกับอัตตาตัวตนได้ทำตัวให้เป็นเหมือนภาคีริวได้ถึงแม้จะเป็นด็อกเตอร์คนอื่นจะเหยียบย่าดูถูกดูแคลนอย่างไรกไไไ็ไม่เดือดร้อนถึงแม้จะเป็นใหญ่เป็นโต แต่คนเขาจะมาดูถูกดูแคลนก็ไม่ก็ไม่เดีอดร้อนเพราะรู้ว่ามันเป็นเพียงสมมุติของจริงมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสูงไม่มีต่ำมันมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวท้านเ้นี่คือความบริสุทธิ์ของใจตอ้องโยนถูกตัหน้าน่ก็คือโมโหนี่ก็ใหย่ตัวมูมันตัดหน้าเราเนี่ย <laughs> คนกัดใจเรามันก็ไม่แสดงว่าไม่เคารพเราใช่เหมเราไ ม, ไม่ทำตามคำสั่งเรา <Yeah. S 1> เราเป็นเจ้านายมันเป็นลูกน้องทำไมไมันไม่ทำตามคำสั่งเรา <Yeah. S 1> แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับสถานภาพของเราอยู่ <Yeah. S 1> เอาแล้วเนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านได้เอาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอด